ท่านพงที่กรบค่ะผ่านไปนะคะสำหรับพระมาร์ชาควาโรวัฒนาป่พง์ตอนนี้เราก็ขึ้นอุดอรเพื่อที่จะมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าหลักสูตรการเลีกยเล้นที่นี่มีความพิเศษอย่างไรวัดป่าดอนหายสงที่พระอาจารย์ไพบุญพิปุณโนท่านเป็นผู้อในวยการหลักสูตรอยู่ที่นั่นนะคะ และท่านก็จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะที่นี่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เรามาพบท่านกันเลยค่ะกราบนมัศกการค่ะเที่ฉันเองก็สารภาพนะคะท่านฟังรบกวนท่านเพียบบุญมากแล้วยิ่งได้มาพบบรรยากาศของการหลีกเลนที่นี่เรียนรู้สึกเอะกำลัง รบกวนท่านไปบุญมากเกินไปหรือเปล่ากับการที่ให้ท่านทั้งหลายได้พุทธวจนะโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านจัดเลีกเล้นแล้วก็จัดบ่อยเหลือเกินนะคะช่วงนี้ก็เดือนละครั้งค่ะอย่างช่วงช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นปิดเทอมเราก็เลยเลื่อนของเดือนเมษมีนาเนี่ยมาใกล้เดือนเมษายนให้มาที่สุดดึงของเดือนพฤษภาคมมาให้ใกล้เดือนเมษามากที่สุดแต่จึง <c oughs> เป็นเหมือนกับ3าคอร์สติดกันแต่จริงๆเป็นของคนละเดือน <c oughs> อ๋อเป็นของ3 <c oughs> เดือนให้มันมาใกล้กันให้มาที่สุด เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับแต่คนใช่ผู้ที่ <ไง S 2> ปิดเทอมแล้วในเรื่องอย่างที่คุณยมติ๋วพูดถึงว่าการการที่เรามาจัดงานตรงนี้น ะ, ะจริงๆเป็นหน้าที่ของสมณะแต่ที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยแสวงงามเป็นสหน้าที่ในหกหน้าที่แต่ซึ่งจริงๆก็คือพระเนี่ยก็ ก็ทำหน้าที่ของพระนะในเรื่องสามสี่อย่างนี้ให้ฟังทำอธิบายให้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้มีกิจการหน้าที่อะไรมากเอก็ปฏิบัติไปค่อยๆทําไปก็คิดว่าได้อยู่เดี๋ยวท่านฟังอาจจะไม่เข้าใจคือนึกภาพไม่ออกดี่ฉันเนี่ยก็จะบันทึกเทปส่วนใหญ่แล้วก็สัปดาห์ละครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ห้าตอนหรือว่าบางครั้งอ่พระคุณเจ้าไม่ว่างบ้างซึ่งท่านไม่ค่อยว่างน้อยนะคะแต่ที่ฉันเนี่ยจะไม่ค่อยว่างมาก ก็จะมีการโยกเวลาโยกไปโยกมาก็จะไปรบกวนเวลาในการประกอบกิจซึ่งถ้าเป็นกิจของการหลีกเล่นดิฉันนึกภาพไม่เคยออกมาก่อนเลยว่าท่านพี่บุญทำงานหนักมากนะคะคือดิฉันมาอยู่ไม่กี่วันเนี่ยคิดว่าท่านท่านได้พักหรอคะ ก็ได้พักตอนตอนค่ำไงเขาเลิกกันไปแล้วคือเป็นผู้อํานวยการหลักสูตรนี่ท่านตื่นก่อนพวกเราใช่นอนทีหลังพวกเราคือพอเสร็จแล้วเด็กเต้องไปเดินดูตรงนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนป้ายไหมเขาเอาน้ําเป็นยังไงระบบไฟเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาจะไปเดินดูอํานวยการนั่นก็คืออํานวยการนะคะแต่ดําเนินการนี่ก็ใช่หมายถึงดําเนินการสอนด้วยเพราะว่าทุกชั่วโมง ต้องมีท่านเพบู่นอยู่ยังไงไดีฉันจะพยายามรบกวนท่านน้อยที่สุดกันละกันนะคะต่อไปเลค่ะ ค, ะคะ่ะต้นฟังคะ่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของเนื้อหาของหลักสูตรหลีกเล่นละเมะื่อวานเราได้พูดถึงประเด็นกฎการหลีกเล่ะที่ว่าการบังคับใช้กฎนี่ยคือเรามามองอย่างนี้ว่าเออถ้าเราบอกว่าให้ทุกคนอย่าพูดกันแต่คนคนที่บอกให้เขาไม่พูดกันเนี่ยยังพูดอยู่ เอแค่ okay, ว่ า, าบอกอะทุกคนอย่าพูดกันนะแค่พูดคำเนี้ยเราก็คิดว่าเราพูดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นคนปิดกดเอง <Okay. S 2> แล้วอาจะมามีความตั้งเป้าอย่างนี้ว่าไอ้คาพูดที่หลุดออกจากปากเราทั้งหมดเนี่ยในช่วงการอิรเรนเนี่ยอยากให้ร้อเป็นี่ยเป็นพูดวจเจจริงๆริ ง, รง mm hmm. แรกๆเนี่ยขอสักแรงนะคุณยมติวทมาครั้งที่1ครั้งที่สองเนี่ยไม่ยัางงั้นจริงๆริงเลย <Okay. S 2> ยังบอกว่าแค่ไปพัก15นาทีเนี่ยอาตมาก็จะไม่พูดเดินออกเลยคุณอยากไปไปก็ไป <Okay. S 2> แต่เวลาถึงรัังกกล็ลบมะ อย่างนี้เลยนะร้อเรซน์จริงๆอ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังพูดบ้างยังพูดบ้างเช่นว่าให้ไบพสิบห้านาทีแกก็จะพูดประมาณเนี้ยเท่านั้นเองนะคืออธิษฐานเอาไว้คิดตั้งใจเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ค่ะงั้นก็เสริมด้วยผู้มีประสบการณ์นะคะคือดิฉันเนี่ยมาแล้วก็ต้องทึ่งจริงๆนะคะคือทันทีที่เจอผู้ช่วยงานทำปุ๊บเขาจะจุบปากเลยไม่ให้พูดฉันบอกว่าเดี๋ยวก่อนอนุญาตก่อนแต่ว่า ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ท, ที่เราพักบ้านเดียวกันเนะ่ยนะคะจะอยู่กันเหมือนกับที่ท่านไปบูนพูดว่าเดินตามรอยพระพุทธองค์ไม่มีป่าให้อยู่ก็ทําเหมือนอยู่ในป่าอแล้วก็เหมือนอยู่ลําพังเจอกันก็ไม่มีการพูดกันอย่าว่าแต่พูดเลยนะคะตากระสบไม่ได้โบกไม้บกมือให้สัญญาอะไรไม่ได้ภาษาท่าทางงดหมดห้ามหมดมนะคะใช่แล้วก็ถ้าเราทําเองก็คือเราเป็นผู้ที่ บอกให้เขาคนหน่งไม่ทําเนี่ยเราก็ต้องไม่พูดด้วยเราบอกคนอื่นอย่าพูดเราต้องไม่พูดด้วยเดี๋ยวฉันขออนุญาตได้ไหมคะมีกรณีหนึ่งค่ะครั้งนี้นมีท่านรองทย่ดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเตือนใจสินทัวานิกมามาต่อว่าท่านไปบูนหน้าเวทีแล้วนะคะ <c oughs> บอกว่าน้อยใจเพราะว่าเป็นวันเกิดจะไปถวายของอท่านเจ้าวาดเป็นชายอย่างดีก็อยากขอที่บายสักหน่อยโดนท่านไปบูนดดไม่ให้พูดแล้วก็ร่วมถึง ผู้ช่วยงานทำของเราทั้งหมดทุกคนตั้งแต่คนครัวเด็กวดัดทุกคนต้องต้องริเริ่มกันหมดทุกคนค่ะเนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่ามาสารรเสริญเยินยอเพราะว่าเป็นพระอาจารย์ของดิฉันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าได้พบแล้วได้เห็นผลของการที่ทุกคนพร้อมใจกันรักษากฎนี้มันก็เกิดประโยชน์กับตัวของทุกคนได้กันนั่นเอง จริงๆกว่าเราจะมาเข้าที่ได้คุณโยมติวก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคือหมายความว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างบางทีแรกๆอย่างนี้หลวงพ่อท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะนะั่นคือคือหลวงพ่อก็จะนิยมที่จะคุยพูดคุยกับคนนี้เห็นคนนี้เขาปฏิบัติได้เห็นเด็กมากก็อยากจะคุยกันเด็กอย่างนี้น ะ, ะซึ่งจริงก็ต้องก็ต้องหยุดเหมือนกันแล้วค่อยมาคุยกันหลังจากที่กดการเด็กเด่นสิ้นสุดไป ก็จะมีระเบียบนะคะใครอยากจะพูดกับพระอาจารย์เ <as> น pues de nice. ี่ยต <beliefs> mm ้องไปเขียนขออนุญาตไว้เขาก็จะมีการจัดเวลาให้โดยเฉพาะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางหลักสูตรจะจัดให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์เพื่อที่จะไปกราบเรียนถึงประสบการณ์แล้วก็ได้รับคำแนะนำในเรื่องของกฎการหีกเลนตรงนี้คุณยมติวที่ระเจ้าให้ทาเนี่ย โด้วยด้วยข้อ2ข้อในอันดะับแรกเนี่ยคือพระองค์เนี่ยต้องการหาความสุขในปัจจุบันเองแนระดัข้อที่สองเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับตัวอย่างจากตรงนี้ของพรนะพุทธเจ้าในตัวส่วนตัวของอาตมาเองเนี่ยคือที่เรามานั่งสมาธินี่นะเราก็ได้ประโยชน์คือประโยชน์จากการที่คือเหนื่อมันก็เหนื่อย น, นิดหน่อยตามร่างกายมันเป็นอยู่นะปวนั่นปวดนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันมันดีมาก ไหนยิ่งครั้งนี้เนี่ยจัดไปถึงครั้งที่สาิบกว่าแล้วเนี่ยคี่ดูคุณยมถิ่วบางเรื่องเนี่ยอาจจมาอ่านเป็นสี่สิบรอบอเรื่องเรื่องที่เป็นพระสูตรเนี่ยน ะ, ะแล้ว เ, เราอ่านไปเรายิ่งทราบซึ้งมากคนที่ได้มากที่สุดเนี่ยคือคนอ่าน <c oughs> ที่ให้ฟังพระสูตรเนี่ยอืม ด, ดิฉันก็ต้องกราบเรียนท่านนะคะว่าทึ่งมากลองคิดดูนะคะเราฟังพระสูตรเดียวสองพระสูตรในรายการที่คุณจะคุ้นเคยกันบ่อยๆ ก็กินเวลาสักสามนาทีท่านพิบูณ์นี่อ่านเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไหมกว่าค่ ะ, ะมีมีบางวันทีฉันบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวสงสัยน้ำกราบเรียนถามท่านรู้หรือเปล่าเพราะว่าถ่านานนานจังเลยคือไอความเป็นห่วงของลูกศิษย์นี่คือห่วงท่านเหนื่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันบนหลังนี่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วเพราะว่าที่ฉันก็ได้มีโอกาสทราบภายหลังเมื่อเปิดวาจาแล้วอืได้ไปคุยกับคุณโยมอาอีเดี๋ยวคุณโยมอาอีนี่ขอพรุ่งนี้ได้ไหมคะต้องเล่ายาวๆ คุณโยบายอีเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะคะ อ, อืแล้วก็มาระล่ำละลักบอกดิ่านบอกพุทธวจนะเนี่ยนะโอ้โ oh, หสุดยอดเวลาปฏิบัติเนี่ยได้พบว่าสิ่งที่ท่านไปบูอ่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่อีอได้พบในการปฏิบัติธรรมบอะมันฉันเข้าใจห <im S 1> ลายๆหลายๆตามที่ท่านพูดเลยอันนี้เป็นคําพูดอีไว้ค่อยฟังพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาที่นี่ก่อน เรื่องของพุทวิชชาเนี่ยตัวตัวเราเองตัวธรรมะเองนี่นะอ่านไปเราเราไม่เหนื่อยเรามีความรู้สึกที่สบายทรัพซึ้งแล้วก็ลึกซึ้งมีความงดงามมีความไพเราะอ่านแล้วเราก็ร่าเริงของเราเองอยู่ในใจบางทีเราอ่านไปเนี่ยแหมยิ้มอยู่กับตัวเองแม่ตรงนี้มันถูกใจจริงจริงเขียนจดโน้ตเอาไว้ที่อาจจะสังเกตว่าหยุดนิ่งไปสัหน่อยนี่บันดึกข้อมูลนึกว่าจะมาเปลี่ยนโคมไฟท่านแ้วกันนี่ แล้วก <c oughs> ็ตัวเราเพออ่านไปอ่านไปเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ไม่เหนื่อยยิ่งอ่านออกเสียงเนี่ยยิ่งยิ่งดีค่ะแต่ดิฉันคิดว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีจํานวนมากทีเดียวนะคะที่ฟังและซาบซึ้งเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติกันด้วยใช่ใช่แล้วก็เวลาฟังพู้ทวจนะเนี่ยดีที่สุดคือมีสมาธิฟังถูกต้องจะจะเข้าถึงได้มากนะคะจะเข้าถึงได้มากค่ะทีนี้ก็เท่ากับว่า ท่านที่เพิ่งมาฟังวันนี้เป็นการเล่าให้ฟังนะคะถึงบรรยากาศของการหลีกเร้นที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธานีซึ่งพระอาจารย์ไผบูรณ์เนี่ยท่านอยู่ที่นั่นและเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพราะดิฉันสันสนิยนนะคะได้มาร่วมปฏิบัติด้วยตนเองก็จึงสามารถที่จะพูดเสริมเพิ่มเติมแล้วก็บอกให้ท่านได้ทราบได้และตัวเองก็เพิ่งได้ทราบว่าหลักสูตรที่นี่อย่างไรเสียก็ต้องเรียกว่าหลีกเร้น ไม่เรียกปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการที่ทําตามรอยของพระพุทธองค์ซึ่งถือว่าการหลีกเร่นนั้นเป็นสำคัญและการหลีกเร่นนั้นวันนี้ไม่สามารถที่จะไปหาป่าสงบสง บ, สงบอยู่ได้ mm hmm. ก็ปิดวัดแล้วสร้างบรรยากาศทุกอย่างให้เอื้อต่อการหลีกเร่นถูกไหมคะใช่ๆช่ชหลักสูตรทั้งหมดกี่วันนะคะถ้านับจริงๆอิงวันที่ปฏิบัติจริงๆปกติเนี่ย เวลาพระไปไหนเนี่ยคะไปดิกรเอนวิเวกที่ไหนเนี่ยก็จะนับเฉพาะวันที่อยู่นะวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดไหนก็จะ7วันเต็มๆนั้นถ้ารวมมันไปกลับด้วยก็จะเป็น89วันอ๋อค่ะ7วันเต็มเต็กรเอนอีก2วันสําหรับการเดินทางเดินทางมาก็วันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เริ่มคืนนั้นแล้ววันกลับเนี่ยก็นับไป7วันนะวันกลับก็เป็นวันถัดไปเป็นวันที่9ก้าค่ะ ถ้าเป็นบริษัททัวร์นี่เขานับเป็นสิบเอดวันได้เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่ า, าต้องบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังคือเวลาใครถามว่ามากี่วันอเนื่องจากบอกหลักสูตรเนี่ยประมาณเก้าสิบวันเก้าหรือสิบวันทุกคนจะตกใจนะคะ <c oughs> แต่ถ้าพูดว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจดวันซึ่งจริงๆแล้วคนเราถ้าบอกไม่ว่างก็ไม่ว่างไปเรื่อยนะคะอืมใช่มันก็หาเวลาไม่ได้ทีีมันมีเรื่องยุ่งได้ตลอดเวลา เพราะฉัอาตมาจงึจงๆยกย่องคนที่หลีกมาได้เนี่ยมากๆเลยเราจงรึงพยายามที่จะงั้นคุณมาแล้วเนี่ยเราไม่ไม่อยากให้เสียโอกาสต่มาแล้วคุณต้องได้คุณจะต้องได้พบกับความสุขบ้างคือคือเป็นอย่างนี้คือถ้าถ้าคุณปฏิบัติอย่างดีเต็มที่เลยนะคุณละกิเลสได้หมดจดเนี่ยเป็นบารานแม่ดีจริงๆแต่ถ้ายังไม่ได้ละหาันใช่ไหมละสังโยชน์ได้สัก5ข้อก็ได้เป็นอนาคามีถ้าละไม่ได้เลย3ข้อเป็นโสดาบัน นั้นไล่ลงมาเรื่อยๆดิฉันถามช้าไปนิดท่านพิบูลตอบมาเลยดีมากครับเพราะว่าตอนแรกดิฉันนึกในใจว่าคนก็คงคิดนึกก็เออศรัทธาพทธเจ้าแต่ไม่เห็นต้องไปทําตามท่านเลยมันยากนี่นะตัวเขาก็จะได้อย่างที่ท่านพูดช่เพานช่วยพูดย้ําให้ฟังง่ายๆกว่านี้อีกครั้งได้ไหมครับก็คือจะไล่ไปลําดับอย่างนี้ว่า คือเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเนี่ยเพื่อที่จะให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปอย่างดีที่สุดใช่ไหมตั้งแต่เรื่องการหลีกเล้นเรื่องการอยู่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องข้อมูลที่ให้แตนะ่สิ่งที่เป็นพุทธวจนะต่างๆนี่มีหมดปุ๊บเพื่ออะไรให้คุณขัดเก่ากิเลสให้ได้นะสถานที่ที่พักมันอาจจะไม่เลิศรู้เหมือนโรงแรมผ้าดาวแต่แต่ก็พออยู่พอกินได้นะให้สละบตรงนี้ให้หมดแล้วให้หาความสุขในใจเสร็จแล้วคุณเห็นตามด้วยบป็นจริคุณละกิเลสได้คุณเป็นผัสหลันตูม่มโอ้โห เป็นบุญมากแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเอาเป็นอนาคามีก็ยังพอได้อนาคามีไม่ได้จริงใช่ไหมอย่างน้อยไดเป็นสกัตาคามีหรือโสดาบันแต่ถ้าคุณมองอะไรไม่เห็ น, ลนเลย ก, กิเลสก็ละไม่ได้อย่างน้อยคุณยังได้ความสงบในใจในนั่งสมาธิใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปแอบคุยกันสมาธิคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยคุณยังได้รักษาศีลก็ใช่ไหมก็ยังไม่ได้ผิดศีลแต่ถ้าคุณศีลก็ไม่รักษาแอบคุยกันพูดคําหยาบอีกแอบเอาของมากินใช่ไหมอย่างน้อยคุณยังยังได้อยู่ในวัดยังได้กินออาาหรที่ ไม่ไม่เป็นโทษทำอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารเจในะมีความสบายท้องบ้างนะสุดท้ายถ้าคุณแอบเอาอาหารที่เป็นอาหารไม่ดีมากินทำไอย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ในเขตมัดที่ไม่ได้ไปเที่ยวตามห้างทำอะไรที่มันเป็นที่อะโกรจอนนะเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยก็เลยคุย ก, กันกับทีมงานกับหลวงพ่อว่าเอางี้เราก็ทําไปแล้วกันนั่นถึงแม้จะมีคนเดียวมาเราก็ยังจะทำ<ม>อย่างนี้กนะ็ค่อยๆทําไปทัามานีญญก็ต้องบอกว่า ได้ประโยชน์ได้แน่นะคะแต่สำหรับดิฉันเองอันนี้พูดในฐานะเป็นคนมาเลยนะคะดิฉันเองก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในบันไดสีขั้นของพระอรหันต์ <c oughs> <c oughs> ของพระอริยะแม้แต่ขั้นเดียวนะคะแต่ว่าพยายามตะเกียกะกายอยู่ <c oughs> แล้วก็วันแรกมาประสบการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าเจ็บปวดมากนะคะคือ อ, อยู่ที่บ้าน ก็ปฏิบัติตัวค่อนข้างเหมือนกับคนที่พยายามจะจะต่ขึ้นอย่างที่บอกนี่แหละนะคะแล้วคิดว่าปฏิบัติได้พอสมควรพอตัวแต่พอมาที่วัดนี้ทำไม่ได้เลยอนอกจากทำไม่ได้แล้วติดลบนะคะเจ็บปวดตัวเหมือนกับมันจะแตกสลายซะ อ, อย่างนั้นพอหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้าไปกราบสนทนากับ หลวงพ่อดอรโรเพอา<ช>บานนะคะแล้วก็มานั่งปฏิบัติต่อแล้วก็บอกตัวเองว่าโหลงทุนมาขนาดนี้หาเวลามาหลายเป็นปีอะค่ะ <c oughs> นะคะเหลือกเกินกว่าจะได้มาอันนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วก็ต้องพยายามพยายามสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ดีกว่าตอนอยู่กรุงเทพห <c oughs> ลายคุมเลยนะคะแล้วคิดว่าจะพยายามต่อไปก็การดิกรีนเนี่ยได้อนี้ส่งแน่นอนค่ะ แปลกๆมากค่ะท่านฟังคะคือเมื่อเราตั้งใจจริงๆเดีทชเข้าใจว่าเหตุปัจจัยนี่ยมันมันเอื้อ<ช>ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิดีมากที น, นี้ก็เลยจะสรุปไว้ให้สําหรับวันนี้ตรงนี้ว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยผู้ชอาบอกว่ากิเลส ท, ที่ยังรับไม่ได้ก็ละได้ใช่ไหมอาสวะที่ยังรับไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันขึ้นมาแล้วก็ปัจจัยสี่เซนาสนะอะไรก็พออยู่พอกินได้ก็ให้อยู่ที่นั่นไปเรื่อยๆอก็จะเป็นการดีของการปฏิบัติของเราเองนะคะและ นี่ก็ยังเป็นแค่อีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจากประสบการณ์ไปเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีวัดที่ท่านเพบูบุหรือว่าพระเพริบุญอภิปุนโนที่มาจัดรายการกับท่านฟังทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นประจําในรายการสัมมนาสนท น, นานี้ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่วันนี้ก็กลับมาส ก, การท่านต่เพียงเท่านี้นก่อนนะคะนท่านฟังที่ครบค่ะสําหรับรายการของเรานะคะ สองสาวันนี้ท่านจงขออุทิศให้กับการที่จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของการไปลเล่นเพื่อที่ท่านจะได้จินตนาการออกสำหรับคนที่กำลังคิดว่าอยากจะมีประสบการณ์บ้างก็จะได้พอนึกรู้ก่อนที่จะมานะคะว่าเป็นอย่างไรรายการนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้ท่านได้พบกับสิ่งที่พระพุทธองตรัสไว้ซึ่งเรียกว่าพุทธวจนะเราจึงได้พยายามที่จะ นำออกมาทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นรายการด้วยการนําปฏิบัติธรรมโดยประมาชาควโรตามพุทธวจนะอ่านพระสูตรให้ฟังด้วยแล้วก็มาถึงช่วงของท่านภพบู์กับเรามีหลังจากนั้นท่านจะได้อ่านทบไปทวนมาอย่างที่ท่านภับู์พูดนะคะว่าอ่านพุทธวจนะในยิ่งอ่านยิ่งซึ้งเนี่ยมีหนังสือของท่านจางคึกฤทธิ์โสธิพโลคะ่ะมอบให้เราเป็นประจําวันละสามเล่ม นะคะสำหรับวันนี้เราก็คุมจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ